มงคลชีวิตมงคลที่ส5สิบหจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมผูฏษะโลกธรรมเมหิเอตมังคลมุตตมังความที่จิตไม่หวั่นไหว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 5. นินทาติเตียน 6. ประสังษาสันเสริญ 7. สุ ข, ขะความสุข 8. ทุกขความทุกขโลกธรามว่าโดยสรุปมีสองคือลากยศสันเสริญสุขเป็นอิทธารณม